น, นี้ก็จะพูดเรื่องต่อจากจานโนอทเมื่อวานเล่าเรื่องลิงให้พู้ลูกนเรนฟังวันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลิงท้ายที่เล่าเรื่องอะไรไม่ใช่พู้ลูกนเรนกลัวอะไรที่วัดเนีมาวัดป่าสุก โ, โตเนี้ยครั้งแรกเด้อเมื่อปี2541ต้นเดือนธันวานะตอนนี้ก็เป็นเวลา19ปีที่ผ่านผ่านไป19ปีเนี้ยวัดป่าสุกโตเนี้ยเปลี่ยนแปลงมากเลย สมัยที่หลวงพ่ออยู่ใหม่ๆเนี่ยวัดป่าสกตัวตยากจนลงครัวเล็กๆแล้วก็สาลาก็เป็นแบบที่อาจารย์โน้ตเล่าอะ่ะต้องไปทานอาหารข้าวบนหลังเล็กนะหลังเนี้ยไม่ใหญ่หรอกแล้วก็เวลาทําวัดก็ไป ท, ำทํำวิสาลไก่วิสาลไก่หลังเก่าเดี๋ยวนี้หลังใหญ่แล้ะแล้วก็ขอตายก็ไปอยู่ที่นู่นเบอร์แปบรรยากาศน่ากลัวมากตอนที่หลวงพ่อมากันมาทีหกลูปนะมาจากสวนโมกตอนนั้นอะ่ะไม่เคยเจออะไรน่ากลัวเท่ากับ พอตายว่าป่าสุกโตเลยเพราะทางขึ้นไปเนี่ยมีหญ้าปกคลุมเล็กๆแค่เดินก็สยองแล้วจะมีงูโผมาเราจะหลบยังไงแล้วเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนนะวา่าสุกโตเนี่ยสะพานก็เป็นไม้เก่าๆถนนรอบสย่ยังไม่มีหรอกเมื่อก่อนจะไปหาอาจารย์ไปสารต้องแหวกเถาวันเข้าไปเป็นป่าหมดแหละประตูลวก็ไม่มียุคที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่บรรยากาศคืนก็น่ากลัว ตุกแกที่ห่อใจตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีข้งคาวข้างค า, า, าวตัวใหญ่ห้อยหัวลงมาตุกแกไม่กลัวคนด้วยนะเขาไม่หนีคนเลยหลวงพ่อกลัวทุกแกเหมือนกันนะแต่คามกูัวทุกแกนี่แหละทําให้เราเนี่ยหายกลัวชีวิตหลวงพ่อสิบกว่าปีที่อยู่วัดป่สบบาสุกโตเนี่ยคุกคียับทุกแกตลอดเลยอยู่กุดเบอร์สิบสองเจอทุกแกลหลายตัวเลยอยู่บนเขาอ่ะที่กุดก็ไม่มีไฟเมื่อก่อน ทุกแกเขาเห็นหลวงพ่อไปอยู่แบบเขาขู่เลยนะขู่เลยมาถึงก็ทำท่าจะ ก, กัดด้วยคือทุกแกเขาไม่กลัวคนอะ่ะแต่ทุกแกกลัวลรู้ไหมกลัวงูอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งเก้าอี้อยู่กล า, างกากุติแหละนั่งยกมืองูเขียวพิออนตัวเบลเลอร์เลยขึ้นกุดมาอย่างองค์อาจสงางาผาเผยทุกแกเนี่ยวิ่งกันโอ้โหแตกตื่นแหะหลวงพ่อไม่เคยเห็นทุกแกแตกตื่นอย่างนี้มาก่อนเลยคือกลัวสุดชีวิตอะ เขาก็หนีซ้ายหนีขวาวุาว่นวายหมดเลยงูก็ขึ้นมาแบบไล่กัดทุกแกแหะตุกแกร้องขอชีวิตอให้วุ่นวายหมดหลวงพวกก่อเขาดูเฉยๆนะตอนนั้นเราก็ยังงงๆอยู่แต่แปลกตรงที่งูก็ไม่กลัวเราสักพักหนึง่งงูเนี่ยตอนแรกไล่กัดตุกแกใช่ไหมไปมาตุกแกเนี่ยเขาเขาจนตอกเขาเขาไม่มีทางเลือกก็แหละเพื่อรักษ า, าชีวิตรอดหลายตัวบรรลุมกัดงู งูนี่หมดท่าเลยเลือ้อยลงแบบแบบบทสภาพไม่เหมือนตอนตอนขึ้นกุฏิเลยตอนขึ้นกุฏิเขาองอาจนะตอนลงไปก็ลงไปลงไปอย่างบทสภาพเลยสู้ตุ๊กแกไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเห็นตาเป็นเรื่องของตัวเองที่นํามาเล่าเนี่ยก็แสดงว่าฟ้าสามคขีมีพลังตุ๊กแกชนะงูได้แต่เรารวมรวมรวมพลังกันต้องสามคขีแต่ส่วนมากตุ๊กแกเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นหลายตัวมกักจะดิงูกินนะเพราะว่าตุ๊กแกไม่สามคขีที่คุณหลวงพ่อตอนนี้มีตุ๊กแกอยู่ เกือบสิตัวนะตัวใหญ่ๆกันเลยมีอีกครั้งหนึง่งงูเขียวพะอินเน่ยเจ้าเดิมเขามาเนี่ยเขาก็มาไล่ทุกแกแต่ตุกแกที่กูหลวงพ่อมันตุกแกขี้ขาดมันไม่สามัคคีกันงูก็ลัดมันก็ร้องขอช่วยเหลือหลวงพ่อก็ไปช่วยมันแล้วแหละว่เาเห็นว่าถ้าไม่ช่วยมันก็โดนโดนงูขมือบแน่เลยแต่ตุกแกมันหนีเอาตัวรอดหมดเลยช่วยหลายครั้งแล้วที่ว่าโดนรัดสู้งูไม่ได้หรอกงูแข็งแรงกว่า ก็มีหลายตัวที่หลวงพ่อช่วยรอดชีวิตเพราะตุกแกไม่สามาัคคีลูกเนย ก, ก็ต้องเอาตุกแกไปยึ่งอย่างนะว่าบางครั้งเราต้องสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีเมื่อไหร่เจออะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเดือดร้อนเจอสัตว์ร้ายเจออะไรเงี้ยวิ่งกันตาตั้งอะ่ะแทนที่จะช่วยกันเมื่อก่อนก็มีหลวงพ่อท่านเพื่อนได้ฟังบ่อยมีพวกกระลอกอะ่ะช่วยหนูหนูโดน ง, งู ทำถ้าจะลัดกินว่ากระลอกมันไม่กัดหางกัดหางงูคือเขาตระกูลเดียวกันแหละกระลอกกับกับหนูอ่ะสัตว์ก็ช่วยเหลือกันนะงูเนี่ยกําลังจะกินกินหนูอยู่กินไม่ถนัดนะต้องมามาแหวงฉกกระลอกกระลอกก็หนีไปงูก็มาจะกินหนูต่อยกระลอกก็ไล่กัดหางงูเละจนในที่สุดเ่ยงูก็ต้องปล่อยพอเขาช่วยเหลือกันไงสัตว์เขามีหัวใจก็ช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันแต่สัตว์บางตัวเนี่ยที่ ที่กูตีหลวงพ่อนะ่ยก็โหดนะอย่างมดดาอ่ะมดดาในลูกเนยไม่รู้เจอเคยเจอใบมดดําตัวใหญ่ใญอะ่ะอันนั้นกัดกัดเจ็บมากเลยมีพิษแต่เขามีไม่เยอะนะฝูงหนึ่งก็มีไม่กี่ตัวหรอกเขาเขายกกิ่งคือนะ่ยตัวบอลเลอร์เลยลอยหามกิ่งคือหลวงพ่อเห็นเข้าวันนี้ก็ช่วยเอากิ่งคือออกไม่ให้เขากินก็หลายตัวแนละ้วช่วยแต่กิ่งคือคงเจ็บปวดหน้าดูอะ่ะเพราะมดแข็งแรงมากเลยมดตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวเล็กกว่าแต่ว่าเขาสามขี้ไก่เขายกกิ่งคือลอยอะ่ะ ถ้าเทียบน้ำหนักแล้วคนละเรื่องเลยก็ถ้าพวกลูกเนเจอมดดำตัวใหญ่ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวหาไม่เตือนมันโหดมากระดูกัดเจ็บพอๆกับน้องๆแมงป่องอะแสบประคนแพ้เลยแพ้ต้องหาหมอสีหน้ากลัวก็มีงูเมื่อก่อนหลวงพ่อเขียนขู่หลวงพ่อบ่อยนะเวลาเทศอ่งูจงอางตัวใหญ่อะหลวงพ่อเจอบ่อยไงหลวงพ่อเขียนเจอบ่อยมายุคหลวงพ่อชักงูหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ สงสัยโดนชาวบ้านจับไปกินแงนแะล้งูเห่าก็เริ่มหายงูจงอางก็หายากแล้วเจอแต่งูเล็กๆเดีเ๋ยวนี้ผูล้ลุงเนรกลัวผีไหมเลอระหว่างผีกับงูกลัวไหนมากกว่ากันผีหลอกไม่ตายแต่งูกัดตายนะหลวงพ่อเคยโดนงูฉกมาแล้วแต่งูที่ฉกเป็นงูไม่มพิษ เคยเจองูไอ้เนี่ยงูทางข้าวเพาเขาดุมากเลยเมื่อก่อนตรงกุฎหน้าสารกไก่เราเข้าไปเก็บทําความสะอาดไงคือเขาหวงที่หรือไงก็ไม่รู้นะก็ดพุด่งกระโดดฉกหลวงพ่อตกใจวิ่งขึ้นชั้นสองเลยไม่ได้ตั้งตัวลงมาอีกเขาก็ไล่ฉกอีกพอเราตั้งสติดได้เองูมาตัวดิตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มัน่าจังเราก็ไม่กลัวไปแล้วมันก็ดีไปเลยแต่ถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยมันจะไม่กลัวคนนะ อย่างงูเห่าจงอ่างเนี่ยมันจะเลื้อยช้าๆคือเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากเลยงูไมพิษอย่างงูสิงเนี่ยเจอคนวิ่งประเภทที่ว่าเลื้อยอย่างรวดเร็วเลยตัวใหญ่บางทีคล้ายเราดูไม่เป็นเราคิดว่าเป็นงูงูเห่าจงอ่างได้งูสิงเราค่ อ, อเจอบ่อยคือเขาไี่พิษไงเขาก็เลยต้องกลัวไว้ก่อนแต่งูพิษเนี่ยอันตรายงูพิษตัวเล็กๆเนี่ยลูกเรี่ยต้องระวังกัดตายเหมือนงูใหญ่เลยแต่ผีเมื่อวานฟังอาจารย์โน้ตเล่าอ่ะ ที่หลวงพ่อเขียนเจอผีอ่ะที่หลวงพ่อเอาฝาโรงของคนร้ายอ่ะของศพที่เน่าอ่ะเอามาแช่นะต้องเดือนหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็เอาแปลงเนี่ยแปลงลวดทองเหลืองมาขัดขัดขัดเสร็จหลวงพ่อเอาเอามาทําเป็นที่นอนก็สมัยโน้นอ่ะวัดที่หลวงพ่อเขียนอยู่อ่ะก็ยากจนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ที่นอนก็ถือว่ารู้ละที่นอนฝาโรงอ่ะแต่ว่าด้วยกลิ่นเหม็นเนี่ยทำให้หลวงพ่อคาเขียนนึกถึงผีอยู่เรื่อย คิกิบันเทลยก็ปุงแต่งเรื่องผีทุกทีมีอยู่คืนหนึ่งหลวงพ่อหลับไปขณะที่หลับก็ฝันว่าผีเนี่ยกิ้งเข้ามาทับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อรู้สึกตัวในฝันนะก็สวดสวดคาถาเลยเพราะหลวงพ่อเป็นในนี้เป็นหมอหมอหมอบ้านมีคาถาครมไงพอสวดบนขึ้นมาผีก็กิ้งหนีพอหลวงพ่ออยู่สวดผีก็กิ้งมาทับอีกสู้กันอย่างนี้จนหลวงพ่อเหนื่อยพอหลวงพ่อรู้สึกตัวขึ้นมาเอ๊ะเอินพากับบัถาอะไรกลัวผีหลวงพ่อก็เลยยกมือ พอยกมือปุ๊บความกลัวผีหายไปเลยตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อเขียวไม่เคยกลัวผีอีกเลยความกลัวมาสอยเราไอ้หายจากความกลัวจะหลวงพ่อเนะ่ยกลัวลุกแก่ตอนหลังหลวงพ่อจับลุกแก่เป็ว่าเลยจับหรือเปล่านะหลวงพ่อจับตุกแก่ไปปล่อยเนี่ยเกือบร้อยตัวแล้วกุฏิที่อยู่เนี่ยเมื่อปี49เ้าเนี่ยไม่มีพาคคนไหนกล้าอยู่เลยหลวงพ่อไม่ได้จําัาสายนี่นะปีสี่เก้าไปจำที่มูลนิธิหลวงพ่อเทียนกลายไปกุดล้างตุกแก่ยืดกุดทั้างหลังอะ่ะเชื่อไหม คืนไปนี่เหม่งขี้ทุกแกอาจารย์ตูมก็เธอเคยอาศัยยกหอยยางไปฉีดอ่ะไม่มีครกล้าอยู่สู่มทุกแกไม่ไหวหลวงพ่อมาอยู่ก็เหมือนมันรอเจ้าของอ่ะแหละเพราะก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่หลังนี้ไงแล้วไปก็ไม่มีใครไปอยู่ได้ถูทุกแกยึดไงหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็ทําความสะอาดค่อยๆจับทุกแกไปปล่อยผมก่อนจับไปปล่อยหมดเลยไม่เหลือแม้ตัวเดียวแต่ทุกแกเขาก็เขาก็เก่งนะเขากลับไม่อีกทุกแกเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับกุฏิจะมีทุกหลังอ่ะ ทุกแกเขาเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเจ้าที่ยังไงเอาไปปล่อยเดี๋ยวเขากลับมาบางครั้งเขาขี้กลางกุฏิเลยแหละหลวงพ่อเขต้องทำพาาิธีสะอาดเรื่อยที่เขาเหม็นมากบางทีเขากลัวเราร้องตะแกตะแกกลางคืนอะ่ะบางทีสี่ทุม 5, ท่มห้าทุ่มพลังนอนๆอยู่ตื่นขึ้นมาหรือบางทีตุกแกเขาจับเหยื่อไงฟาด ก, กันที่กุฏิโคมโคมนไงถ้าคนกลัวผีหรือก็หรือก็ผีเพรากุฏิก็ได้ทุกแกเนี่ยจะมีปัญหา กับคนที่กลัวแทาทุกุดเลยขอวัดป่าสุกโ ต, โตคือเขาเปเจ้าถิน่นหลวงพ่ อ, พอจากทุกแกไปปล่อยบ้างๆเนี่ยฟังกลัวทุกแกก็หายไปตอนหลังเราก็อยู่กันได้เป็นเพื่อนกันหลวงพ่อเจอบ่อยมากบางีเปิดพม่านไปเอา้าอยู่นี่แล้วเขาก็เขาจะหลบแสงแดดนะเขาจะชอบอยู่ในที่แบบมืดๆนี่สายทุกแกเดีย๋ยวนี้หลวงพ่อให้ทุกแกอยู่แล้วไม่ไล่เขาแล้วเมื่อก่อนนี่เราจับไปปล่อยจนเบือ่อเดี๋ยวนี้อยู่กันได้ยกเว้นเขาจะกลัวเราแบบขี้กลางกุฏิหรือไม่เคารพ กติกาสังคมที่อยู่ร่วมกันอ่ะอันนั้นเอาพิจารณาไปปล่อยถ้าเขาเขาลบกติกานะที่ก็ไปหลบหลบที่ที่อื่นไม่เบียดเบียนเราก็อยู่กันได้ให้เกียดซึ้อกันแล้วกันพึ่งพาอาศัยกันหลวงพ่อก็ให้เขาอยู่ที่กุดตอนนี้ก็เยอะนะออกลูกออกหลานตัวเล็กตัวน้อยเราก็อยู่กันได้แบบไม่กลัวเดี๋ยวนี้ตุ๊กแกมีราคานะหลวงพ่อไปอ่านข่าวตุ๊กแกเนี่ยมีคนรับซื้อสิบนิ้ว ห้าร้อยบาทถ้าตัวตัวสิบสี่นิ้วถึงสิบห้านิ้วเนี่ยเขาก็รับซื้อราคาหลัก 1, ลพันละสองสาพันตัวถ้าตัวขนาดสิบหกนิ้วขึ้นไปเนี่ยหลักหมื่นสิบเจ็ดสิบปดนิ้วก็ให้เป็นแสนมีคนซื้อจริงสิบเก้านิ้วเอาไปเลยหนึ่งล้านต่ทุกแกส9บนิ้วอะแตัวใหญ่ขนาดไหนลูกเนี่ยคิดเอาแล้วกัน คือเขามีแหล่งซื้อตุ๊กแกตรงที่ว่าเอาหางไปเป็นยาโดบไงเพราะตุ๊กแกเนี่ยหางเขาหลุดแล้วเขาลอก ง, งอกใหม่ได้ไปมาตุ๊กแกกลับมีคุณค่ามากกว่านะเดี๋ยวนี้ถูกจับไปขายจากสัตว์น่ากลัวกลายเป็นสัตว์ที่คนเขาเขาหากั น, นสัตว์น่ารักไปแล้วความน่ารักคล้ายๆก็จากตุ๊กแกตอนนี้ตุ๊กแกสิบเก้านี้เขาซื้อหนึ่งล้านแต่หายากนะ แกยักษ์อย่างนั้นหา ย, ยากาว่าความน่ากลัวปางครั้งมีความน่ารักมีคุณค่าอยู่หลวงพ่อก็ไมเคยกลัวผีเหมือนกันแหละหลวงพ่อก็เคยเจอหลวงพ่อมเขียนบางทีช่วงอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นไงเราก็นึกถึงนึกถึงซากนึกถึงศพอะแล้วบางทีเนี่ยในฝันเนี่ยเราก็เหมือนมีผีเผอมาอะไรเงี้ยเจอเห็นลายๆเนี้ย ช่วงที่หลวงพ่อมีรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อก็ท่องคาถาสู้เลยหลวงพ่อสวดชีปัญชรได้จะมีความมั่นใจตัวเองมากเวลาเจอเหตุร้ายก็ใช้ยาธนาคตาพุทธาเชตวามารังเลยรเนีสวดชีปัญชรผีก็หายไปสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปหมดเลยพอเกอเิดเหตุร้ายใหม่ก็สวดชีปัญชร อ, อี ก, กดังรถที่หวัดเสียวเราก็สวดชีปัญชรเจอเรื่องอะไรที่น่ากลัวเก็สวดชีปัญชรคือหลวงพ่อสวดมนต์ได้ถ้า เ, เป็นโยมแล้วเป็นคนแบบชอบสวดมนต์คาถาคมพวกเนี้ย แล้วแต่มันก็สู้ฝันรู้สึกตัวไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรารู้กตัวในฝันหรือนิมิตเนี่ยหลวงพ่อเคยกมือขนาดท่ามกลางเหตุร้ายมันจะผ่านไปตลอดเลยเจอนิมิตอะไรเนะราทะลุในบททุกทุกนิมิตอะ่ะท่านฝันรู้สึกตัวลูกเหียนเราฝึกไว้นะมีคุณค่าอันนี้คือสาระแต่นิทานที่หลบพ่อเล่าให้ฟังเป็นปนิทานคลาเครียดแล้วก็มีสาระถือเป็นเรื่องรองก็แล้วกันฝ่ารู้ึกตัวเนี่ยพึ่งได้ตลอดชีวิต ลุงเลียงก็ว่างก็ยกมือ14บยังวะมีประโยชน์นะสู้ผีได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆจากหนักเป็นเบาได้คนเหยียบกรรจายเพราะไม่มีสติบางครั้งการเจอสติเนี่ยช่วยชีวิตได้ทำให้หาทางเอาตัวรอดได้เออมาเล่านิทานดีกว่านิทานเรื่องแรกจะเล่าเรื่องเบาๆหน่อยปีชา ย, ยคนหนึ่งชื่อว่าโจโจตอนนี้ก็อายุสามปดแล้ว แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้โจเนี่ยทุกใจไปต ล, ลอดก็คือโรคปวดหัวโจปวดหัวตั้งแต่อายุสิบแปดคือปวดมายี่สิปีโจก็ไม่เคยไปหาหมอคิดว่าคงเกี่ยวจากการที่เรียนเรียนเรียนจบก็หลายปีก็เครียดทํางานก็หลายปีก็เครียดอาจจะเป็นสาเหตุให้ปวดหัวแก้ไงแก้ไงก็ไม่หายจนวันหนึ่งเนี่ยอาการปวดหัวเนี่ยหนักมากจึงไปปรึกษาหมอหมอตรวจดูอาการแล้ว หมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายบอกคุณจะเอาข่าวไหนก่อนโจ บ, บอกเอาข่าวข่าวดีก่อนก็แล้วกันหมอบอกหมอรักษาคุณหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วข่าวร้ายละ่ะข่าวร้ายหมอจะต้องตัดไข่คุณทิ้งทั้งสองข้างเ <c oughs> พราะไข่ของคุณเนี่ยไปไปดันลำไส้ให้ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังทําให้ปวดหัวตลอดถ้าตัดไข่ทิ้งก็หายปวดหัว โจได้ยินดังนั้นเนี่ยอึ้งไปเลยแล้วก็ขอลากลับบ้านเพื่อไปคิดตัก่อนจะตัดไข่ดีไหมไม่ตัดดีโจไปนอนคิดอยู่หลายคืนในที่สุดก็สู้ความเจ็บปวดจากการปวดหัวไม่ไหวจะปรึกษาใครก็อายแต่ที่ใจตัดไข่ตัดไข่ดีกว่าจึงไปหาหมอแล้วก็ตัดไข่ทิ้งแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแหละจนหายเป็นปกติแล้วโจออกมาจากโรงพยาบาลวันแรกรู้สึก สมองปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแต่ตัวเองก็รู้สึกว่าเมืองว้างเหมือนเสียอะไรไปโจจึงคิดปลอบใจตัวเองโดยไปร้านตัดสูตรที่ดีที่สุดของเมืองนี้เข้าไปถึงมีคนแก่เจ้าของร้านเนี่ยออกมาต้อนรับโจก็บอกว่าผมต้องการสูตรที่ดีที่สุดหนึ่งชุดชายชร า, าเจ้าของร้านมองแว บ, บเดียวก็บอกว่า4ีบสี่นิ้วโจก็งงเอ๊ะ คุณรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่ได้วัดเลยชัยชลาบอกผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับแล้วก็เอาสูตรเนี่ยมาใส่พอดีกับร่างกายโจก็ชอบใจเพราะว่าสูตรเนี่ยใส่แล้วสมาร์ทสักพักหนึ่งชัยชลาก็ถามอีกลองเสื้อเชือะตัวไหมครับอื ม, ก, มก็ดีเหมือนกันโจตอบชัยชลามองมองไปที่รูปร่างของโจแล้วก็บอกว่าแขนสามสี่คอสิบกนิ้วครึ่งโจก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะ ยังไม่ได้วัดเลยรู้ได้ไงชายลาเขาตอบไปเดิมแหละผมเปิดร้านหกสิปีแล้วครับแล้วก็ดำเสื้อเชิดมาใส่ใส่แล้วก็เท่ขึ้นน่ะเพราะว่าพอดีเปียกเลยกับรูปร่างก็เดินไปเดินมาในร้านนั่นแหละชายลาเก็ถามต่อยลองร อ, อ, องเท้าใหม่สักคู่ไหมครับโจก็ตอบไปเดิมก็ดีเหมือนกันชายชลาเขบอกว่าของคุณเนี่ยเก้านิ้วครึง่งโจก็โจก็งงโอ้หรู้ได้รู้ได้ไงเนี่ยไม่ได้วัดเวิดเลยเลยตอบเหมือนเดิม60สปีผมเปิดร้าน60สปีแล้ว หลังจากใส่รองเท้าจนหนำใจแล้วชายชาลาเจ้าของร้านก็ถามต่ออีกลองเกงในใหม่สักตัวไหยครับโจคิดอยู่แล้คู่หนึ่งก็ดีเหมือนกันชายชาลาเจ้าของร้านก็มองมองหุ่นของโจแล้วก็บอกว่าของคุณเนี่ยต้องใส่เบอร์สามหกเขาเดาโจหัวละกกากเลยคุณผิดแล้วผมใส่สาม เบอร์สามสี่ตลอดตั้งแต่ยุสิบแปดแล้วชัยยลาก็มองหน้าโจตายหาแล้วคุณคุณใส่เบอร์สามสี่ไม่ได้หรอกเพราะมันเนี่ยจะไปล้างไข่คุณเนี่ยให้ไปดันลำไส้จนไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังถามจริงเหรอคุณไม่ปวดหัวบ้างเหรอตอนนี้โจอึ้งเลยดิฐานเรื่องนี้ก็จบ ถ้าโจมาหาชายชะลาก่อนเนีก็ไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องเสียไขย่เพราะเป็นเรื่องเล็กๆ เ, เองเพราะว่าโจเนี่ยใส่เกียงในครับเรื่องเล็กๆแต่ว่าทําเป็นเรื่องใหญ่นิทานเรื่องนี้มีข้อสอนตรงว่าลูกเรนจะทําอะไรเนี่ยควรปรึกษาผู้รู้ก่อนปรึกษา Google ปรึกษาพี่เลี้ยงบางเรื่องอย่าตัดสินใจเอ ง, เองโดยพาะรักการเดี๋ยวเป็นแบบโจนะเสียไขย่หรือเสียงอื่นที่ว่าไม่ควรเสียเพราะมันมีทางออกก็ดีกว่า บางครั้งเรื่องง่ายก็ทำให้เป็นเรื่องยากทั้นจะทําอะไรปรึกษาคนอื่นก่อนอย่าตัดสินใจโดยอู้ว่ามเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วไม่ใช่นิทานมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเลยเจอเรื่องอะไรหลวงพ่อก็ไม่ทุกขหลวงพ่อชอบพูดอุทานอ อ, ออกมาเสมอว่าดีเนาะจนแบบชาวบ้านเนี่ยให้สัญญานามว่าหลวงพ่อดีเนาะพอท่านพูดบ่อยอะไรก็ดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์นิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพนที่บ้านและให้แสดงธรรมด้วยเพอเอนันั้นรถเสียคนขับก็นำรถไปซ่อมไปแหละทําให้ไปรับหลวงหลวงพ่อช้าหลวงพ่อรอแล้วรอเล่าตอนแรกก็ตั้งใจจะไปฉันบ้านงานสีกูทานขึ้นมาว่าเราฉันอาหารก็เราเองก็ดีเนาะเมื่อ น, นำอาหารมาฉันนั่นแหละฉันไปได้สองสามคำคนขับรถ ก็มาถึงบอยหลวงปู่หลวงพ่อรีบไปหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ได้นั่งรถไปได้พักหนึ่งรถประเสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไม่ติดจึิมขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเข็นตอนนั้นหลวงพ่อแก่มากแล้วหลวงพ่อก็ไปช่วยเข็นหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะได้ออกรำลังกาย เข็นไม่เข็นมารถติดก็วิ่งไปบ้านงานแต่เพอเอิญไปละไปเลยเที่ยงแล้วฉันเพยไม่ได้แล้วพราะพระฉันได้กค่เที่ยงเขาก็เชิญหลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปผู้ธรรมะบนธรรมาท์เลยหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะถึงได้ทําหน้าที่เลยหลวงพ่อแสดงธรรมอยู่ลูกศิษย์ก็รีบชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปหยิบกระปุกเกลือใส่แทนน้าตาลหลวงพ่อทานไปคํานึงก็ดีเนาะแล้วก็วางไว้ลูกศิษย์ เห็นหลวงพ่อทานกาแฟเหลือเห็นว่าการทานกาแฟของครูบาจารย์หรือของเหลือเนี่ยเป็นมงคลขอหลวงพ่อทานทายไม่ได้คำเลยก็พ่นพวดไปเลยบอกเคไม่ปี่เลยหลวงพ่อทา็ไม่ได้ไงหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะทานกาแฟหวานๆมามากแล้วท่านก็ยิ้มๆเห็นไหมหลวงพ่อเจออะไรดีเนาะหมดมีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งโจเนี่ยขึ้นมาป้นหลวงพ่อเพราะคิดว่าหลวงพ่อรวย โจรเจอหลวงพ่อก็ขมขู่เลยหลวงพ่อเจอโจรแทนที่จะตกใจหลวงพ่อกลับยิ้มยิ้มให้โจรแล้วบอกก็ดีเนาะเอ็งอยากขนอะคนไปเล ย, เลยโจรบอกไม่ได้แค่เมาป้นอย่างเดียวต้องฆ่าด้วยหลวงพ่อบอกฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็สงสัยเ๊ฆ่าจะดีเนาะได้ไงส่วนมากโจรมีแต่คนขอชีวิตไงฆ่านี่ยแก่แล้วร่างกายก็เสื่อมโทรมลงทุกวนันเอ็ก้าฆ่าก็ดีเนาะ โจดได้ฟังนะนะเขใจอ่อนก็เลยสงสารก็เลยบอกถ้างั้นไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจมันก็บอกหลวงพ่อจะเอาไงฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะเนี่ยหลวงพ่อบอกถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับเผื่อโดนตำรวจฆ่าตายอาจจะติดคุกหรือตายไปแล้วอาจจะต้องตกงลงล้มโบกไมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด เองไม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็ได้ฟังแล้วก็สํานึกผิดอะ่ะก็เลยไม่ป่นไม่ฆ่ากลับไปตัวเปล่าคือหลวงพ่อดีนอเนี่ยท่านท่านปล่อยวางทุกอย่างแล้วแหละแบบแม้แต่ชีวิตท่านเองอะ่ะก็เลยไม่ดินน้นรนไงแต่ถ้าไปนคนปกติเนี่ยมีคนมาป่นก็ต้องสู้อะ่ะบางคนก็โดนโดนโจรฆ่าตายก็มีเมื่อไม่นานก็มีคนเนี่ย ถูกฆ่าตายเพราะโดนโดนป้น iPhone 7ถูกพี่ปาดคอเลยแต่ยอมให้โจลีดีก็ไม่ไม่ตายโจลมันก็ไม่ฆ่าแต่บางทีเราไปห่วงของมากกว่าชีวิตไงชีวิตเราเนี่ยสำคัญกว่าของไม่ตายหาใหม่ได้บางทีขคอยากป้นอะไรเราก็ก็ดีเนาะให้ไปเถอะตัดความเสียดายเวลาลูกเนนเจอพี่เลี้ยงดูดาเราก็ดีเนาะเจออะไรขัดใจเราก็ดีเนาะ หิวข้าวกว่าจะได้กินนานแล้วเกินก็ดีเนาะหรือว่าลำบากเจอพวกพี่เลี้ยงให้ทํางานก็ดีนเนาะเนจะลืมนะพอดีเนาะเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แล้วเจออะไรก็ดีเนาะหมดแต่ถ้าเกิดไม่ดีเนาะได้ทุกข์นะ โ, โหดพี่เลี้ยงนี่จุก จ, จิกยุ่ยีิ่งแล้วเกินทําเราทุกข์แล้วเกิ น, ากกนบางทีหลวงพ่อมาพูดให้ลูกเรียนฟังเนี่ยถูกใจก็ดีเนาะ ไม่ถูกใจก็ดีเนาะล้วก็ฟังตามหน้าที่เราไปเดี๋ยวธรรมะข้อคิดก็ซึบซึมซับเข้าไปเองหลวงพ่อเนี่ยนําข่าวต่างๆที่ของวัดเนี่ยแหละถ่ายรูปของลูกเนเนี่ยไปลงเฟซบุ๊กไม่รู้ว่าพวกลูกเนเคยดูเฟซบุ๊กที่หลวงพ่อทำไหมวัดป่าสุกัโตทำพมชัยที่พักใจอ่ะก็มีคนมากดไลค์พวกลูกเนรเยอะมากเลยเกือบห้าพันไลค์แล้วก็ถือว่า มีคนสนใจอยู่แล้วก็อารบัาบิธาบาศก็มีคนกดไลค์เยอะหลวงพ่อก็ไปถ่ายถ่ายเวลาบิธาบาสานุสานนี้แล้วก็มาลงให้พ่อแม่ลูกเรีนได้ดูกันญาติพี่น้องอย่างเงี้ยเขาเห็นก็หายคิดถึงตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครได้ได้ดูเฟซหรอกเพราะว่าพี่เลี้ยงคงไม่ให้ลูกเลนลูกเรนเล่นเฟซก็ไว้ต่อนศึกแล้ ว, ลวเราค่อยไปดูกันอย่างน้อยก็ดูความหลังครั้งหนึ่งเคยไปอยู่วัดป่าสุกโตหลวงพอดีน้อเนี่ยเคยไปนั่งรถไฟนะแล้ว ไปรถไฟไม่ทันหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้อยู่กรุงเทพอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งมาขึ้นรถไฟทันหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะได้กลับบ้านเรามีอยู่ครั้งนึงถ้านไปบินทบาทเนี่ยแล้วก็เด็กโซนมันทะเลาะกันเฟี้ยงหินมาโดนหลวงพ่อหัวแตกเลยชาวบ้านเห็นเข้าก็ด่าเด็กแล้วก็วิ่งรีบมาทำแผลให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะที่ไม่โดนตา คือหลวงพ่อเนี่ยท่านจะมองโลกในแง่ดีไงเจออะไรก็ดีเนาะหมดลูกเนเนี่ยเอาดีเนาะไปใช้เนี่ยได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเปิดเทอมใหม่โดยครูตีก็ดีเนาะดีเนาะโดยพ่อแม่ดูก็ดีเนาะเจออะไรที่ไม่ถูกใจดีดอเลยหมดเด็กดีเนี่ยที่หลวงพ่อให้ท่องเนี่ยข้อแรกสําคัญมากเลยนะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่พอถ้าลูกเนเนี่ยไม่เป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บเนี่ยมันจะลากข้ออื่นเสียหมดเลย แต่ถ้าเราทําดีข้อแรกข้ออื่นตามหมดเลยเพราะว่าคนที่เป็นลูกดีของพ่อแม่เนี่ยก็มักจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนดีของเพื่อนเป็นพลเมืองทดีของชาติแล้วก็เป็นสาวกทดีของพระพุทธเจ้ามันจะตามมาหมดเลยนะแต่ถ้าเนรคุณพ่อแม่ปุ๊บต่อไปเราก็จะเป็นเนรคุณครูบาอาจารย์ทรยศหักหลังเพื่อนเป็นคนร้ายเป็นพลเมืองเลวของโลกแล้วก็ จะเปสาวกที่เถื่อนที่เลวของผู้รู้เจ้าด้วยข้อหนึ่งอย่ลากข้อดีๆของสี่ข้อตามมาลูกเรนสังเกตไหมเวลาพ่อแม่เนี่ยดีต่อเราเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งลูกเรนไม่ค่อยจํำหรอกเวลาพ่อแม่ดุด่าและว่าเราเนี่ยครั้งสองครั้งลูกเรนจะจํำใ้เรื่องที่โดนว่าสังเกตไหมไมันจะเป็นอย่างงั้นที่ขัดใจเราอะสมมติซื้อของแล้วพ่อแม่ไม่ซื้อให้อะแต่ตอนที่ขับพาเราเที่ยวซื้อขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ ลูกเนี่ยเคยคิดว้างไหมส่วนมากลูกเนี่ยจะชินกับความดีของพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ดีต่อเราถ้าใครคิดอย่างนี้ให้คิดใหม่นะเพราะว่าเป็นการคิดเอาเปรียบพ่อแม่พ่อแม่รักโดยด้วยความจริงใจไม่หวังผมไม่ต่อตอบแทนเลยแม้ชีวิตพ่อแม่ใครลูกได้นั้นเราต้องเป็นลูกดีของพ่อแม่เวลาบวชเนีย่ยเขตั้งใจบวชอุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านด้วยบวชเป็นเนรจริงกิจวัตรเนนั่นแหละรักษาศีลสิให้ดี พามาใจหนีรักษาศีล8ให้ดีอันนี้ถ้ า, าตอบแทนบุญพ่อแม่แล้วกลับไปก็ไม่ดื้อท่านพูดอะไรก็เชื่อท่านก็มีความสุขแต่ลูกเณนดื้อเถียงท่านทําร้ายน้ําใจถ้า ท, ท่านร้องไห้เนี่ยก็เท่าไหร่นนละคุณเราต้องเป็นเด็กดีทำให้ใหญ่ท่านเสียใจแม่เราว่าเวลาท่านไม่ให้ของหรือขัดใจเราเรามีโอกาสมาบวชวัดป่าสุกโตถือมีบุญมากเลยได้ฝึกคนทําบาปฆ่าสัตว์ชีวิตทํากรรมเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย ทำไปแล้วสิ่งนั้นจะไม่ดีตอนหลังกรรมก็สนองถ้ารู้จะไม่ทําเลยกรรมชั่วสี่สําสคัญที่สุดเปลี่ยนเบียนชีวิตาศาสตร์รักทรัพย์แล้วก็ร่วมเกินระเมิดขอลักของคนอื่นน่ะโกหกเนี่ยถ้าลูกเนมีคุณธรรมจะไม่โกหกเลยแล้วก็ติดยาเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้มันจะมีทั่วภายหลังเท่านั้นเลยพ่อแม่ทุกโคหย่าลูกไปคนดีไม่มีใครหย่าให้ลูกไปคนคราคน้ายคนไม่ดี อยาให้ลูกเด่นท่องเด็กดี5อย่างให้หลวงพ่ออชื่นใจสักครั้งดอ่ะท่องเลยห้าข้อเป็นอะไรบ้างพร้อมกันดีมากมากเลยลูกเนน เด็กดีห้าอย่างขออนุมทนาบุญกับลูกเนียทุกคนนะให้มีความสุขความเจริญทํายิ่งขึ้นไปอาสาทุเิ